มั่งดีแไหมนะไปมั่งก็ตรวจกล้องแล้วเรื่องเห็นของจริงของจริงที่มันด้อยจริงของงัวง นั่นละมาสอนเราเราคิดเป็นผู้เราลุกเป็นตี๋ช่วดีกป็นตาราบุญเป็นเจ้าคอยเห็นผม่วง เห็นคามลังเดของใัเห็ น, นความคิดรุ่งสวรนี่แบบะทานไปนี้่านไปบ้างแต่ยอนเห็นสั ง, งสีหูสินใจ ไปลบอองาสุนทากลับมาตองที VIP, ่ดึงสมุนทาของ่านบานต่างๆงให้เสียใจไปก่อนหลังกองตามหลังสีหัวกำลันกระจายตามเอาสมันทากลับมา เรื่องวิธีเร่งานมนภาวะเรื่องมนทินนมาครอบามจิตใจของเร า, าจิตใจ ส, <c oughs> สมัยทุนสศรษฐีไปก่อนเศรษฐีเมื่อไหร่ก็เสียงก็ไปรับรวมแล้ว่า ใจขอ้ผมให้เป็นนิดกับเราให้แค่เป็นนิดเป็นสิ่งของกันให้ถึงคุณความดีใส่ใจลงไปเหยียบความท้ายกันท่้งทีกันนี่สิ นีสมาธิหนักแจ่นเอาไว้กวาวัเดียวันเียะแจ่มแจ่มหอาไว้ตึงไว้พอตึงงนไปก็ย้อนพอย้อนเรินปก็ตึงึงเพื่อย้อนย้อมเพื่อตึงในการปฏิบัติ ระวางโอกาสระวงว่าสิงที่เกิดขึ้นก็ต้องมัดมีความดี แล้วก็อยาก ไ, ไปเลยกลับมาเอาขีดออไปข้างนอกก็หน่อยแล้วก็กลับมาการกอดใหม่ลองคิดตั้งสี่คิดเหลือคิดได้มองเป็นการวันงาการรอดวัน อย่างอ้ า, อาัคเตอะไรบอสต์ตรงเด่นลดต่การลดต่อการกับสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกก็ค่อยลดการจากสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้น มันหลงแต่ว่าที่เกิดกลมหลงก็มีประบสบการ์ด้วยเรียนแล้วหลงไป่างนี้อย่างนี้แต่าที่รู้ก็มีประบสบการ์แล้วรู้ไปางนี้อย่างนี้สอบ เด็ก มูสลองันนี้พันก็ตานไม่คืนก็ต้องหอาไว้เองไปน่ากันเลยกัดท้องก็มีปวดเจ็บแย่เลยปวดัวดสุขภาพปวดกายอันนี้ชีพเดียบ เ, เ, ยเทีาายย โกรธสบายลำยากลำบากนี่เกิดขึ้นกับพพุทธเจ้าทำไมปทธิมนั้นเราเนี่ยเจามันชนเื่องมานีิเศมานสิ่งที่เราไม่ใจย่อหมอง จะเจอที่ย้อนหยาดในสุขที่ยิ่งขึ้นใ้รูปรสถิ่งเสียงอันนี้เป็นสิเลตมาสันละมานสันละมานที่ประขาปว <c oughs> ดแขงเหนื่อยไม่ลา้าทำได้แต่ลอๆต้องหนา ท่นเพือท่านัวนี่ยัวสายหัวเดมีบ้างราเบียงมัดยมันหัวเพ่งแค่ต่างๆ่างนี่คือระชนกพระพุทธเจ้าอดีตมีเส ว, ว, วบุตมนัน เจ้าปรมานนี่ฤิถึงความสะดวกสบายอนอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงาน ย, ยังไม่ใจเลยไม่ตอมมาดูนี่มีโยมเยอะอรยกยมนทิถึงความสะดวกสบายเอียบเทียบ ส, สถานการนี่ว่า เดวุฒิธรรมาไม่กลารู้ความทูกความยากความรูกความยากเป็นการทำให้ชีวิตอ่อนแอถ้าเคยทุกข์เคายากแต่ชีวิตเสียงแผลของยิงมีอยู่เ็นลูกเห็นน้ำเดินอยู่นี่คือลู่ลู่เสือกเก้าไปเข้ามา มีแต่นงา ม, มาทำมีแต่รูปของงามเท่า น, นั้นคราสุนคนทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเศรษฐกการเรรมืองการดำรงบางีถ้สมมุติัญอยากเอาว่าดีว่าให้ดีเห้ผลให้ใช้ให้เห็น ดีก็เห็นไม่ดีก็เห็นดูก็เห็นดูก็เห็นเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆไป่างความผิด สั้งขันตัขันคือควาสุขปัญญาที่สังขนสังขนคือควารู้ยังไม่เชี่อมควาสุขวามู้เนี่ยต้องผ่านไปวัดีตะวัสตกลงเหลือวาสงบหล นี่ไง ทีนีจะไม่หลงมีมากจะแปลว่าทที่เกิดควมหลงก็มีเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติกระทัดถึงใจ ถ้าหกโมงเยนเรื่นก็เป็นหวโมงเจ้ามาเจริงจังกับกเวลามาอยู่ที่เราสมมติวันหยุดวันนี่คือวันวันนี้คือนคืนแต่ว่าเราหัดมทั้งกลางวันเอาเชิ้นกับกลังวันเราไปอยู่สนามเนี่ยเรามาคืนสองทุ่ม อยู ng ng ng ng ่ข้าวหรอร้องเพลงารแั่นข้าวแ้วมีงอนอนข้าเล่หลับพรตอนองทุมหิวข้าวนอนหลับตื่นขึ้นมาตอนโมงเย็นก็หอบข้า ขึ้นยนเนี่ยเวลา่ในเส้นที่โลกประเทศนั้นลานี่ลานี้ของประเทศนี้ประเทศใช้คำว่เวลาเท่านี้รากาศเวลาตั้งขึ้นหรือาม่โลกโลกเวลาเราสัง้าตเราจะคอยทันสาออกมาบอกว่าเวลานี้ เรือราที่เกิดในการของมันไปมัเป็นการตื่นแล้วก็ออกมาหานไม่จากอย่าได้ริงกันเอากายมาเป็นของตนของตนเอาใตมงเป็นของตนของตนมันตามันไม่ก ขนาดนั้นที่นะตเจ็บนี่ต้องนีงกหละตรงที่ลูกที่นามเนี่ยถ้ามันยุ่มัแต่เดี๋นีน่งามมันจะเหยกลูกมันจะ็นยัยดน้ปตาเขียนเคยชิ้งเรา้อมันมันมาเนี่ในในยดอะไรลูกจะเหีียวห้องโดยองคาเจียวตา มีรูปตามเทีนามธรับมีสมมติมีพมีวัตถุมีอาการวัตถุก็มีมีรูปก็มีนามรูปก็มีรูปก็มีาการเก็ึนงดนก็เลยนงก็เลยหล่นตกขางกกรอด อันเป็นการหลงลูกถ้าลูกเมียกันก็ไม่ใช่ลูกต้นน้ำนั้นอาต้ากว่าลูกต้นหลังรหัสดุกลายกว่าลูกวาเทียนมากกว่าลูกแต่รหัาอาทัศโยกันแต่ลูกนี่หัสเมียันไ มันก็เป็นการธรรมชาตของตัวแต่ถ้าไม่หัดทำเนี่ยจะเป็นลูกสนสองหลอดหลอกหนึ่งคือทุกขึ้น่ายหลอที่สองทุกขที่ใจอันมีรูปเด่นมากกวทุกข์กาถ้าเราหัดแล้วมันตอกเดียวแล่พวกกายเจไม่เป็นไร like เดี๋นี้อะไรมาถึงใจก่อนเพราะไม่เร่งัดเราลองเราถึงใจคนหนามาถึงใจคนสุกความสุกมาถึงใจถ้าเราหัดแล้ว mm hmm. มันไม่มีอะไรจะต้องกรใจใจมันเป็นปกติมีบ้านอยู่บ้านหงใจยังปกติปอ้โ mm hmm. ันไว้หรือเปล่า หมดทิศหมดภัยคงเสรนคงาบกติให้วันไรอะไรนี้คือเมื่อตั้งหัดเริ่มอาจจะมั่งิเต็มนะอาจมีวัตถุาการวตุเหมือนกับเหนียลิ้มเหรียนี้เมื่อมีเหรียญลิ้มก็มีอะไรเกิอยู่นี่จะต่องว ทีสนาจริงมันเกิดอยู่ที่วัตถุเนี่ยมีรูปมันก็มีอะไรเกิดอยู่ที่นี่เรื่อวัตถุอากานต่าเรียนหมดเรื่องหมดโลกโลกวัตถุรูปอย่างเดียวเป็ตเฉลยแต่นี่เ่อวรอะไรของมันมีอยู่ มาเช็คหาของี่มันมีเรียนจงกล้าไปกู้กันดีอางทีชีวิตเฉยก็รู้ได้ตถ้านันหัก็หลงตรงใจ่ป <c oughs> หายเลื่อยไป <c oughs> เจ้ามัหักหเยอ ได้าห้หมดประโนเริ่มตัีอัตโนมัติถในบึ้งประเด็นละแต่ชนะคนชนะคนเดิมชนะคนอื่นชนะคนอื่นลอยขั้นังหมดให้เขาชนะขานเดียวมนหลงรู้น้ำบางันะ มันุูรู้มันกัวรู้รู้วการู้แล้วรู้แ ล, ลแล้วเป็นเมื่อต้นมันตรงตาเห็นธรรมเห็นทังอายะตาเนื้อไปเห็นเป็นตาในปิฏฐิรู้แล้ว งานตุ you you ๊ก็รู้แล้วงานตปรกก็รู้แล้วมันหลงมันอะไแปลกเป็นก็รู้เดียวกระบาวตีรู้อันเดียวเลยเจ้าปันหาแต่ท้อแต่ันลเหน่วยบุรุษมึงเดินหาจ่าดิษฐ์ หลักวิทยาที่เกิดมาการตายวตายปวดเจปวเส็อะนเสร็เริมลุสือลกสมาเียงกัเรียงและโตขึ้น แล้วมันม้งหกแบบแต่ร่างกากินอาหารไม่เหมือนกันต้องหาเหื่อมาพอนป่นถ้าเรื่องเขียใม่ไหวอยากจะทาจัดเสือแล้วเร า, าควรต้องหาวิธีกาจัดเสือตัวนั้นอเอาไปฝากหาตาโปรดหาฤที่ฤทีก็บอกให้ไปทําตรงจัด เอากองี clay, teeth, ่เจ er ็ดชี้มาขังเสือเข้ามาอยู่เอากองสอี่มากับเสือเข้าอยู่เอากองสิบี่มาขังเสือเข้าอยู่เอากงแี่มาขันเสือเข้าอยู่เอากองหี่มากังเสือเข้าอยู่ถ้าบกมันกิดไ้บอกเอากงที่ออกไปขัง มต้องหลายที่ที่เดียวตั้งแต่หลุดไปนั่นก็เอาบองที่ออกมากันเสือเสือหุดเลยไปไม่ได้เได้ยิะไม่อไปเรียนหนักไปแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเสือหมดป่าขึ้นยู่ที่ไหนหรออูที่เรานีอะไรวะตาห์หืมนี่อะไ แต่ละอันมันยินหนานต่างกันใช่ไหมแล้วก็บ umm ังคันมาพ้อนมาบรุดเนี่ยให้หวานแต่ถ้าเสงตายอะไอเขาลงขี Digital ้เดียวมาขันงขี้เดียวคือกระติเน่ะถ้าเราเจอเรงรู้รู้รู้รู้รหรือตายรก็ไ นักที่ใดมีต่ออากญ้าปมาเหลืออุบาทไม่อยู่ตู้สถานคอยจับต้องมองเหยียทุกหวานหวานเดินผ่านไม่ระวังใน ห, หวานตายกที่นี้เกลื่อเสือเหมือนกันหาเอาวิชาต่อไม่รู้ไรของไหลแม่เสียหนามกันหาตามรักใจโอไม่ได้พลาเสียได้สบายเอิญ อันนี้อาจจะาฝาจะดูยากบางทรู้คิดเลยก็ได้เพราะงที่ยอมเลยอันนี้เรื่องที่ปังแบบเสือเด้คือเรควรจะต้องเรียนให้ียงไม่กี่วันกค่นี้อาจารย์บอกที่ต้องใี่เหืออยู่ อาจ า, งงาจรที่งานนัเสดียตรงที่เดี๋ยวอาจร ก, ก็จีสอนข้าบเจ่ะที่จะหินแม่จะจะัดจติตกรรมที่ทให้ดูอาจารยที่สามี่้องที เหลอดูร้ายขนาดไหนก็ต้องทำมันลงมันไะ้ที่เรศหาพรเนี่ยขนาดไหนแตกเมือเทวันที่เรศนาตะาไแตกี่หังมันได้เลยไม่กลัวทำไมเรามีคงมนะรัรู้สึกวัวไหมเราเดินอยู่เนี่ยรู้สึกว่าก็มีกล จับเหลอได้อ้วยช้อนละลูกลูกลูกา้อาี้เรเสียงนะเอามวอยู่รอแปี้เรเสียงแต่เอามา้อยู่รองเจดี้กรเสีีเอามา้อยู่เลยรองยี่สิีเเสียงของนี้เอายี่เรเสียงที่ปมีเอาอยู่แล้อันี้ก็เอาที่อยู่อยู่ ที่ตรวกันได้นี่คือสองจิไม่ติดที่ตรวจนได้หลงหลงปกครองลูกอะไรมันชอบทำกบันนี่ใครตอบให้เราต้องตอบประเด็นตำรวจปกครองลูกติดตัวอะไรันทำรับ้าทำเลย ก็ปัดจัดต่างเลยที่ตะปูมีอยู่ที่